บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่สัตว์แกท่านเหมกะมานพในตอนสุดท้ายที่ว่าพระขีนาศพทั้งหลายนั้นเป็นผู้สงบทุกการทุกสมัยพระวจัยของท่าน ไม่ตกไปสู่กระแสตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้เรื่องของความสงบเป็นกลุ่มธรรมะที่เราเรียกว่านิโรธสัตว์หรือกลุ่มของสติการแต่ธระมธรรมะที่บุคคลจะพึงทำให้แจ้งโดยการประพฤติปฏิบัติของตนพระานตะ ก, กีนาศเป็นความสงบอย่างสูงสุด ที่ไ ม, ม <un> ไม่มีการกำเริบอีกต่อไปไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพอารมณ์ใน um um สิ่งแ <Kah> วด<ย>ล <comeback> <c pathways> ้อมอย่างไรก็ตามอารมณ์ที่ชาวโลกก็เกิดกำหนัดท่านไม่มีความกำหนัดอารมณ์ที่ชาวโลกเขาขัดเคืองท่านไม่มีความขัดเคืองอารมณ์ที่ชาวโลกเขาลุ่มหลงท่านไม่มีความหลงอารมณ์ที่ชาวโลกเขาหมเบาประมาทท่านไม่มีความหมเบาประมาท ซึ่งก็หมายความว่าท่านอยู่ตรงตันขั้มกับกระแสของชาวโลกหรืออยู่เห น, เนือกระแสความคิดของชาวโลกที่เราเรียกว่าโล ก, กุตตรคืออยู่เหนือโลกแต่วัในชั้นของการปฏิบัติที่ลดหลั่นกันลงมาเป็นปฏิปทาที่บุคคลทั่วๆไปผู้ฝ่ายธรรมะสนใจที่จะหาความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตน สามารถทำได้ในหลายระดับด้วยกันตามปกติแล้วความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นตัวการใหญ่จริงๆก็คือเกิดขึ้นมาจากกลุ่มของอกูสลที่สรุปรวมเรียกว่ากิเลสกันกิเลสประเภทต่างๆจึงเป็นตัวสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล เมื่อปริมาณของความรู้สึกเหล่านี้รุนแรงก็แสดงความไม่สงบทางกายทางมาจากออกมาบางครั้งก็เป็นการสร้างเวรสร้างไัสร้างความเดือดร้อนมีการเบียดเบียนประทุสลายกันในหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บุคคลพยายามเพิ่มพูนทางแห่งความสงบแต่อย่าถามว่าเพิ่มพูนจนถึงจุดไหน คือจุดที่เป็นความส ง, งบอย่างแท้จริงเช่นที่พระอระหันตะกีนาสบทั้งหลายท่านส ง, งบกันแต่ว่าการจะก้าวไปสู่ความส ง, งบท่ามกลางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ส ง, งบนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราะการปฏิบัติระดับของกรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นต้นไปนั้น ตัวการใหญ่จริงๆก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆมีการวินิจฉัยอารมณ์มีการตัดสินอารมณ์ไปตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์ซึ่งทงนนี้ท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดกระแสของอารมณ์ทุกชนิดหรือว่ารับกระแสของอารมณ์ทุกชนิดแต่ว่าการจะตัดหรือจะรับนั้นก็หลังจากได้วินิจฉัยอารมณ์ดอบนั้นแล้ว วัฒน์าอารมณ์หลอดใดที่ผ่านมาต่งตางๆหู่นโกลิ้นกายเป็นภัยอันตรายต่อความสงบใจก็ให้เกิดความกับหนักขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาก็ตัดกระแสของอารมณ์หลอดนั้นแต่อารมณ์อันใดก็ตามที่มีลักษณะเพิ่มปูนธรรมะคือกุศลและธรรมที่จะนำให้ใจมีความคลายจากความกับหนักความยึดจิดในอารมณ์ทั้งหลายลงไป คลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงคลายความหมกมุมม่งจนกลายเป็นความรู้สึกมองเห็นความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายชัดเจนยิ่งขึ้นท่านก็สอนให้ประคับประคองรักษาอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้รการปฏิบัติในแนวของกรรมฐานก็คือแนวของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเอง พละแนวกันจิตตานุปัฏนานสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตไม่ใช่ว่าสงบจิตไปทุกอารมณ์หรือรักษาจิตไว้ทุกอารมณ์แต่ทรงสอนให้บุคคลรู้จักข่มจิตรู้จักห่ามจิตรู้จักประคับประคองจิตรู้จักรักษาจิตจิตประเภทไหนที่ควรข่มคือจิตที่ก่อให้เกิดความฟูขึ้นของกิเลสทั้งหลายก็ข่มเอาไว้ระงับเอาไว้ จะสามารถดับได้ก็ดับไปแล้วห้ามจิตในอารมณ์อะไรห้ามจิตที่มันลั่นไปสู่กระแสของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเสีอการแล่ไปของจิตนั้นให้ลองสังเกตว่าเมื่อก่าวโดยสรุปแล้วจะล่นไปในการทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏในการทั้งหลายล่นไปสู่อารมณ์ที่เป็นอดีตคืออารมณ์ที่ผ่านมาแล้ว อาจจะก่อให้เกิดความสำนึกในรูปของความเพิ่ดเรินปรารถนาต้องการอยากได้อารมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นการเพิ่มพูนกิเลสสายโลภะโดยสายราคะให้สูงขึ้นในจั้นความรู้สึกเหล่านี้สำหรับสามั ญ, ญชนทั่วไปท่านไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ถ้ามีการเหนียวนึกในลักษณะนั้นก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์คือประพฤติความดีไม่ได้อย่างแท้จริงแม้จะเป็นการเหนียวนึกอารมณ์ในอดีตก็ตามท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหนียวนึกไปแล้วจิตใจจะมีความขุ่นมัวงเศร้าหมองอมออหรือปล่อความปรารถนาอยากได้อารมณ์เหล่านั้นบางครั้งก็จะเหนียวนึกไปด้วยความคับแค้นอาฆาตพัาบาัย จะเนียวนึกว่าคนนั้นได้เคยทําอันตรายแก่เราเคยทำอันตราย อ, อันตรายแก่ญาติมิตรของเราหรือเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผูกพ้องของศังตรูเราเป็นต้นความขัดแย้ความขับแค้นก็บกงเกิดขึ้นภายในจิตทําให้ไม่มีความสบายก็ปรารถนาที่จะโต้อตอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือความที่ตัวต้องการก็อยากจะให้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันความที่ตัวไม่ต้องการก็อยากจะทําลายล้าง ให้สิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นพินาศไปวนการใส่ไปของใจในลนนักษณะนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบใจจะเห็นว่าเป็นการปล่อยการเวลาให้สูญสิ้นไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาพราะอารมณ์ที่เป็นอดีตคือเรื่องของอดีตที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และแตกลับไปแล้วในอดีต แต่หลักพระพุทธศาสนานั้นได้ใช้อดีตไปในแง่ที่เป็นบทเรียนเป็นลีลาชีวิตเป็นภาพจําลองของชีวิตที่บุคคลกระทํากรรมอย่างหนึ่งแล้วได้เกิดผลอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นบทเรียนว่าถ้าจะนํากรรมเหล่านั้นมากระทําอีกก็จะเกิดผลเช่นเดียวกันกับที่ได้เคยกระทํามาแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ทรงนําเรื่องอดีตมาใช้ ไปใช้ในกรณีที่เป็นผลประโยชน์เป็นบทเรียนเป็นภาพจำลองชีวิตอย่างเช่นต้นนำเรื่องราวในชาดุต่างๆมาสั่งสอนคนไปดูลีลาชีวิตกัอการกระทาอย่างนั้นแล้วก็เกิดผลอย่างนั้นบุคคลนั้นมีความบังขยันในการทำงานประสบความสาเร็จในการสร้างสถานะของตนซึ่งคนในปัจจุบันจะน้อมนำเอาหลักปฏิบัติเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้เป็นดังคนนั้นหรือว่าเป็นคนนั้นโรคคนนั้นได้ตายไปแล้วแต่ปฏิปทาเครื่องปฏิบัตินั้นสามารถน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่ท่านสอนเอาไว้ในสาธุนรธรรมหรือธรรมะของคนดีว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วจะก็หมายความมาใช้อดีตในกรณีที่จะเป็นประโยชน์ไม่ได้ไปถึงกระตัดอดีตทีเดียว อดีตอะไรที่เอามาเป็นบทเรียนเป็นการสร้างความสำนึกแม้แต่การเหนียวนึกซึ่งเป็นงานของสติที่จริงเราก็ใช้อดีตคือการระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดและสิ่งที่จิตคิดและการกระทำของบุคคลอื่นแม่นานมาแล้วได้ก็เหนียวนึกถึงอดีตเหมือนกันแต่ว่าเดียวมาใช้ไม่ใช่เหนียวมาครุ่มเพราะการเหนียวนึกอดีตจึงมีอยู่สองแนวคือแนวหนึ่งเป็นการเกื้อกูลแนวหนึ่งเป็นการทำลายล้า ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดๆในขณะปฏิบัติทำความสงบใจถ้าบุคคลไปประรอบถึงการงานที่ได้ทํามาแล้วประรอถึงความผิดพลาดหรือแม้ความดีงามที่ตนได้กระทามาแล้วแต่ว่าในขณะนั้นภารกิจจริงๆก็คือการพยายามทำใจให้สงบแม้จะจะเป็นเดี๋ยวนึกถึงอารมณ์ที่ดีแต่เป็นเรื่องของอดีตก็ถือว่าเป็นเรื่องของปาริปุส คือความกังวลที่สร้างความไม่สงบไปบังเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ในกรณีของการนำมาเป็นบทเรียนแต่ว่าใช้จริงๆชาติในปัจจุบันแต่ก็สอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติอาการแล่นไปของใจในอารมณ์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งก็คือการแล่นไปสู่อนาคตองมาัศปรารถนาขอให้เป็นอย่างนั้นอยากได้เป็นอย่างนั้น ใจคนจะมุ่งมา่ปรารถนาอย่างนั้นขอให้เป็นดังหนึ่งและอยาให้เป็นอย่างหนึ่งถึงว่าที่จริงเรื่องของอ น, นาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นการกระทาของบุคคลท่านจึงเน้นที่ปัจจุบันเป็นประการสำคัญเพราะถ้า บ, บุคคลสามารถตัดกระแสะอารมณ์หรือห้ามจิตไว้ในอารมณ์ที่เป็นอดีตกอนาคตให้มากำหนดมารลึกมารู้อยู่ที่ปัจจุบัน จะทําจะพูดจะคิดไม้อาศัยอดีตก็อสายเป็นบทเรียนแต่มาทํามาพูดมาคิดในปัจจุบันก็จะเป็นการประคับประคองรักษาจิตของบุคคลให้อยู่ในเรื่องนั้นๆและอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนันท่านก็สอนให้ประคับประคองไว้ถ้าเป็นความเกื้อกูลต่อความเจริญเติบโ ต, ตของจิตต่อความสุขความสงบของจิตใจ บางครั้งบางราวอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้านั่นเองชีวิตของคนจะมีเรื่องของสมหวังกับผิดหังในกรณีปรารถนาความสมหวังก็คือการขอให้เป็นอย่างนั้นแต่เอาข้อจริงแล้วชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการปรารถนาเสมอไปกรนี้พระผู้มีพระภาคจาได้ทรงแสดงไว้ว่า ถ้าบุคคลความตั้งความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไปตามที่ตนต้องการแล้วชีวิตในโลกนี้ก็ไม่รู้จะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตใจของคนเหล่านั้นมีกระแสะของตัณหารกระแสะของความปรารถนามากเ็คือกินถ้าคนตั้งความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นตามที่ตัวต้องการ พอถึงจุดหนึ่งคนก็จะสนุกด้วยการตั้งความปรารถนาแข่งกันบันฑมือก็คงระเกะระกะวุ่นวายไปหมดได้ดังนั้นการตั้งความปรารถนาในอะไรเพื่อใจของบุคคลเกิดความสนุกถ้าก็สอนให้เตรียมใจยอมรับความจริงที่อาจจะเกิดขึ้น ในเมื่อตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องสร้างความรู้สึกประคับประคองใจเอาไว้อีกชั้นหนึ่งว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้คือไม่เป็นเต็มตามที่ตนต้องการจะให้เป็นเต่มตามปกติแล้วก็มกกักจะเป็นเช่ั้นเมื่อประสบความสมหวังตามที่ตัวต้องการจะมากไปหรือน้อยไปใจก็จะมัธยักอยู่ในท้ากลางได้ แต่ถ้าหากว่าไปมุ่งมา่นปรารถนาเอาแนวเดียวตั้งความหวังไว้ในเดียวพบผิดหวังก็จะประสบความทุกข์ความโผมนัดมากบางรบครั้งการจะเป็นการซ้ำเติมตัวเองเสียทั้งสิ่งที่เสียไปแล้วเราก็เสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเราก็ต้องหยุดความสูญเสียโดยการพยายามทําความสงบใจแต่การจะสงบใจนั่นจะต้องเตรียมใจมาก่อนโดยการเตรียมใจไปด่วงหน้า ขาอนี้ลองสังเกตดูง่ายๆว่าอ ย, ย่าในกรณีของการพราดพลาจากเพียชนคนที่รักมันดาบิดาญาติสนิทิสหายตายไปหรือเป็นอย่างอื่นไปทวาใจของบุคคลได้เตรียมเอาไว้ก็าคงจะมีสักวันหนึ่งหรือว่าคงจะไม่รอดแน่และคงจะตายแน่เวลาท่านเปลี่ยนแปลงไปหรือท่านตายไป เนื่องจากใจได้เสียบไปแล้วก็สามารถสงบใจได้ไม่ปล่อยให้ความเศร้าโศกปริเวทนาการร่ำไรรำพันต่างๆเข้าครอบงมใจอีกประการหนึ่งนั้นทรงสอนให้มองความจริงตามหลักของปัจจัยหลักซึ่งของ้อนี้แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่คนเราคุ้นเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ แต่พอดีพระไปใช้ภาษาบาลีและญาติโยมเองก็มองเป็นเรื่องน่ากลัวไปโดย่ังคนดางก็ไม่รู้ด้วยกันพระก็ว่าเป็นภาษาบาลตไปโยมเองก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นจึงหยุดไปเฉพาะเป็นพิธีกรรมในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชนแกะญาติสนิทมิตสหายของตอนานั้น ประเทศจริงแล้วเป็นธรรมะที่มีความลึกซึ้งมากอำนวยผลให้แก่จิตใจของบุคคลได้เป็นอย่างสูงนั่นคืออะไรนั่นคือคาถาที่เราใช้บางสกุลเป็นคาถาบางสกุลเป็นนั้นเริ่มต้นด้วยคำอาลีว่าอาจิรังวัตยังกายโจกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอธิเสษสติ จากนอนทับตรงบนแผ่นดินหรือจะล้มลงก็จะตายไปสุดโอเปตวิญญาณโหนเมื่อวิญญาณออกไปจากร่างกายแล้วนิรัตถังวักังลิงกังังก็จะมีลักษณะเหมือนท่อนไม้ที่หาสารแก่นสารอะไรไม่ได้คือกลิ่งไปบาอยู่นั่นเองเพราะการมองกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนคำว่ากายก็คือกลุ่มของสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหลาย อาจจะเป็นกายคนกายสัตว์หรือว่ากลุ่มของอะไรก็ตามจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มของกายคือพูดง่ายาอยู่ในกลุ่มของรูปธรรมการเกี่ยวข้องกับสิ่งรูปธรรมตามปกติแล้วใจของบุคคลจะมีความสอบความชังในเรื่องเหล่านั้นถ้าชอบก็ต้องการอยากได้ปรารถนาถ้าชังก็ต้องการเมื่อการได้ต้องการในพินัตไปแต่ถ้าบุคคลเตรียมใจยอมรับความจริงว่ากายนี้ไม่นานเนาะ จะต้องตายจากไปอย่างสำนวนบาลีที่ว่าจากนอนทับเหนือแผ่นดินถ้าใจเข้าถึงคุณธรรมข้อนี้ได้ยอมรับสภาวธรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเล่านี้ได้จะไม่ได้ช่วยเฉพาะชั้นของกรรมาฐานเท่านั้นแต่ว่าช่วยในส่วนของการดำรงชีวิตประจำวันทั่วๆไปในฐานะอาชีพต่างๆ ตัวอย่างในกรณีของการทะเลาะวิวาดกันก็หยุดไว้แค่การทะเลาะวิวาดกันก็ไม่รู้จะเดินหน้าไปทำอะไรต่างคนต่างก็จะตายจากกันไปแล้ว ร, ร่างกายนี้เป็นของไม่มั่นคงไม่หยุดนานอะไรได้หรือว่าในกรณีที่จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความจาใจ รสกอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆพ็พยายามปรับใจให้อยู่ได้เพราะยังไงๆไม่กี่วันก็จากไปอาจจะจากกันช้าไปหน่อยแต่ก็ต้องจากไปแน่นอนก็ทนเอาหน่อยธรรมะคือขันติความอดนทนธรรมะคือการข่มใจหักข้ามใจก็ยังบงับงเกิดขึ้นได้บุคคลก็สามารถสงบเวณนไ การเบียดเบียนการประทุษร้ายการต่างๆที่บังเกิดขึ้นและพระพุทธเจ้าทรงมัญญะไว้ด้วยศีลในชั้นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกับอารมณ์กับทรัพย์สินกันทองท่างหเมื่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกตายไปทำลายไปก็น้อนึกเข้ามาหาหลักความจริงดังกล่าวแล้วว่าจะนับภรารอะไรกับสิ่งนั้นซึ่งมีลักษณะเปร่าบางไม่แข็งแรงไม่คงทนแม้แต่ร่างกาย ซึ่งธรรมชาติสร้างมาอย่างวิจิตพิสดารเนื่อเกิดที่มนุษย์มานาไม่สามารถสร้างได้แต่ในที่สุดมันก็ต้องตายไปบานรุนพังพินาศไปทรัพย์สมบัติสูญสิ้นไปก็สงบใจทําใจได้แม้แต่การตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นอย่างนั้นจะได้เป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างที่ตัวต้องการให้เป็นก็สงบใจได้ไม่ไปเดือดร้อนดป ว, วิตกกังวลไปวุ่นวาย ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้การกระทาเช่นนั้นอย่างที่เคยกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาก็เหมือนกระกาที่ไปวิดน้ำทะเลือไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาต่อไปแล้วร่างกายเหล่านี้เป็นการดำรงอยู่ไม่นานการที่มองเห็นว่าร่างกายนั้นมีช่วงระยะเวลาไม่นานก็มาดูว่าในขณะ น, นี้เวลานี้ อวัยวะมือเทา้าสติปัญญาของเรายังมีอยู่อะไรที่เป็นสาระแก่นสารควรจะสร้างควรจะอบรมกระทำำําบําเพ็ญให้มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นสเสบียงเลี้ยงตนในอนาคตเพื่อเป็นบา ร, รมีธรรมที่ฟอกฟูนจิตสันดานเพื่อตกแต่งภพชาติของตนในประณทศก็พยายามที่เพ่งกระทั่งว่าเรากำหนดแน่นอนอะไรไม่ได้บางครั้งบางคราวอวัยวะมือเทา้านั้นบังคับไม่ได้ตัวอย่างท่าน ไปจากครูบาลจึงสละสมบัติเป็นนันมากออกบวชนายาตพี่น้องจะพยายามอ้อนวอนว่าให้ท่านบวช ต, ตอนแก่ซะก่อนตอนตหนุบนั้นให้สเวสวยสมบัติซะก่อนท่านบวช ต, ตอนแก่จะทําอะไรแม้แตออ่อวัยวะมือเท้าของตัวเองยังบังคับไม่ได้จะไปประพฤติปฏิบัติความดีให้ประนีตหมดจดได้อย่างไงในชั้นที่ประนีตขึ้นไป บุคคลก็พยายามจกช่วยโอกาสที่กุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นปรุงจิตจะให้ทำให้จะให้คิดให้พูดให้ทำไปในทางที่ดีพยายามใช้โอกาสเหล่านั้นที่มาถึงเขา้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นตอกย้ำอยู่เสมอาความเพียรพยายามนั้นให้รีบทำในขณะนั้น เพราะเราไม่รู้ไในว่าความตายอาจจะมีพรุ่งนี้ก็ได้มารืนนี้ก็ได้หรืออาจจะอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้เพราะว่าชีวิตต่างหลายนั้นไม่อาจจะผัดเพี้ยนต่อรองหรือขอร้องด้วยวิธีใดก็ตามต่อความตายได้เวลากุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องพยายามกระทำเพราะถ้าให้กระทําได้แม้กุศลนั้นก็ดับไปคือกจะไม่เกิดอีก บางทีไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยเพราะตามปกติภายในใจของคนนั้นเป็นสนามต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะหรือระหว่างกุศลกับอกุศลหรือระหว่างพระกับมารและแต่จะพูดกันเพื่การต่อสู้กันระหว่างอํานาจฝ่ายต่ำกับอำนาจฝ่ายสูงอานาจฝ่ายสูงบางเกิดขึ้นก็ต้องรีบเพ่งเพิ่มพูนอํานาจฝ่ายสูงเข้าไปแล้วก็ทําตามนั้นเพระาะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอกุศลจะเกิดมาแทรกซ้อน อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการจะให้ทานให้รธรรมในขณะนั้นทันทีทันใดรีบทําโดยโดย่วนเพราะทํ า, าอย่างนั้นแล้วความตร้หนีความหวงความเสียดายก็จะบังเกิดขึ้นครับ ง, งาใจและเธอก็จะทําอะไรไม่ได้นี่เป็นการทําให้บุคคลตื่นตัวอยู่เสมอรู้ท่าทานต่ออารมณ์เหล่านั้นสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จาก อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นได้และในขณะเดียวกันพออารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตาม ท, ที่เราต้องการก็สงบได้เพราะวุ่นวายไปก็เท่านั้นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาของสูญหายญาติพี่น้องตายทรัพย์สมบัติพินาศไปหรือภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นก็พยายามทําความสงบใจแล้วก็ค่อยแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นในกรณีที่แก้ได้ ในกรณีที่อยู่นอกวิสัยก็คือเรื่องนอกวิสัยซึ่งข้อ น, นี้ถ้าพิจารณาเทียบเคียงแล้วจะพบว่าในชีวิตของบุคคลเรานั้นได้สูญเสียไปในเรื่องนอกวิสัยคือเรื่องไม่ใช่ภา ร, ระธุระหน้าที่อะไรที่จะไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะอยู่นอกเหนืออำนาจอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาในความมุง่งมั่นปรารถนาของเรา เราต้องปล่อยสิ่นั้นให้เป็นไปตามธรรมดาทีนี้ถ้าสามารถเข้าถึงอีกชั้นหนึ่งว่าร่างกายนี้พอวิญญาณออกจากร่างแล้วมันก็มีค่ามืนก็ท่อนไม้กรีงไปกรีงมาเพื่อนจะผลักไปไหนจะทำอะไรก็ทำได้เคยใหญ่โตยังไงมีบริษัทรีวานห้อมล้อมอย่างไรแต่พอตายแล้วมันก็เท่านั้นเองเพื่อนจะผักแขนหักขายัดใส่โกดตั้งใส่ศพใส่โลงบงั๊ จะไปเผาเสบันไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะชีวิตจริงๆมันก็คือศพเป็นคนตายก็คือเรื่องของศพตายก็เท่านั้นเองแต่จริงแล้วก็เป็นกองของขันกองของรูปกองของเวทนากองสัญญากองสังขารกองของวิญญาณล้วนๆเป็นไปหมุนไปดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไปในช่านนี้จะช่วยอะไรได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความฟูขึ้นของใจความพองขึ้นของใจด้วยอำนาจตันหาและด้วยอำนาจมานะมีความรู้สึกดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นอาจจะเอารูปร่างทรัพยนะ์วัฒนธาระความรู้ตำแหนง่ง เ, เกียรติศักดิ์ที่ตนได้จากสังคมชาติสกุลเป็นต้นไปข่มขู่ไปดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่น ให้เหยียดหยามบุคคลอื่นเพิ่มบาปอกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะก็จริงแล้วคนเราเวลาตายมันก็ไม่ได้ต่างกันคือเหมือนกับถอนไม้ด้วยกันแม้จะไปใส่ไปในโลงในโกรดในขีปในอะไรก็ตามแม้จะสวยงามนั้นเป็นเรื่องของโรงของขีปเท่านั้นเองแต่ร่างกายก็คือร่างกายศพก็คือศพก็ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างศพคนรวยคนจนศพ คนดีคนเลวดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลพยายามทําความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มาณนะความกระด้งางต่างๆเพราะชาติเป็นต้นเพราะกำเนิดเพราะสะกุลเป็นต้นก็จะบาบางลงไปก็จะอยู่ในโลกอย่างไม่ค่อยถือสาหาความอะไรใครจะยกจ้องหรือไม่ยกจ้องใครจะทำนิหรือจะสรรเสริญมันก็คือคือกันนั้นนะ เป็นโล ก, กธรรมการที่เราไปยอมรับสิ่งนั้นเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดเป็นความขัดเคกงขึ้นมาหรือเกิดเป็นชอบเป็นชังขึ้นมาหรือเกิดเป็นอภิชาตุมนัตขึ้นมาแต่จริงแล้วสิ่งนั้นมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นพอมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นใจของบุคคลก็จะสงบได้ถ้าเข้าใจถึงความจริงในส่วนตรงนี้ จะอยู่ในโลกอย่างรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักบันเทาอารมณ์ต่างๆที่พระเจ้าสอนอุปมาว่าให้ทําเมื่อโคตัวเขาเขาหัหรือปมาตัวเองเมื่อกระผ้าเช็ดพื้นใครโยของสะอาดมาเช็ดของสกปรกมาเช็ดก็ช่งไม่ปล่อยความยินดียินร้ายรอบงําใจทํอย่านี้ใจมันก็สงบจากอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้อ่นเอาก็จริงแล้วอุปกรณ์ทั้งหลายในโลกนี้ เป็นเครื่องมือเป็นครูในการเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในใจยามใดก็ตามที่บุคคลได้สัมผัสความสงบยามนั้นหมายความมักกิเลสนั้นได้ตางลงได้เป่าล ง, ไ ด, าลงได้คลายลงและเมื่อกระทาได้บ่อยๆบุคคลก็จะสัมผัสความสงบสูงขึ้นจึงหมายความมักกิเลสก็น้อยลงไปอารมีทําความดีภายในจิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยสัมผัส ธรรมะของพระพุธทธเจ้าได้มากขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป